บางคนก็ถามเคยมาถามถามหลวงพ่อเหมือนกันว่าทาไมในวัดอื่นที่อื่นเขาจังบวไม่ได้พอมาท่องนากไปยังไม่ได้เข้ามาแล้วก็จับบวชได้เลยท่านก็บ่าตามไปเลยผลที่สุดก็บวชได้ไม่เห็นด้ท่องอะไรอันนั้นถ้าเรามองดูก็มองดูอุปชาอาจารย์มองดูผู้ที่บวช โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามองครูบาอาจารย์ต่ออุปชานะหวังลาบหวังยอดเกินไปหวังใครมันน่แต่หวังสิ่งตอบแทนแในผู้ที่จะบวชแต่บางคนก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ถึงหวังตอบแทนแต่มักง่ายเกินไปมักง่ายจนเกิดไอเกินไปจนเอาใจคนนันเอาใจคนผู้ที่จะบวชจนลืมระหว่างเยียบยาำทาลาย หลักทำองสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่มีเจตนาโดยไม่มีเจตนาว่าจะทําลายแต่สิ่งที่ทํานั้นคือการทําลายทําลายโดยเจตนาหรือไม่เจตนานั้นเสียหายไหมถ้าเรามาย้อนด้วยเหตุผลก็เสียหายแต่ถ้าเราทําลายโดยเจตนาก็เสียหายไม่เจตนาก็เสียหายเหมือนเราทําเปืนลั่นออกไป เออโดยที่ไม่เจตนามันถูกคนมันตายไหมยึดมีดพากองเราหลุดมือออกไปถ้าเราไม่เจตนาถูกคนมันเจ็บไหมก็เจ็บตายได้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีเจตนาทำก็ยิ่งเสียหายมากมันจอดจมมันแม่นยำเหมือนกั น, กนแต่ถ้าไม่เจตนาอาจจะผิ ด, ผดพลาด ไ, ไปหน่อยแต่ว่าอันตรายไหมแต่ทําถูกจรงๆก็ เสียหายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านมีจุดประสงค์อะไรเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพเหมือนกับคนในชาติของเราเนะี่คนในชาติของเราโอ้คนนี้เก่งจริงๆเขาไม่เาคารพกฎหมายเขาทำไปม่วไปหมดแต่ถ้าว่าทุกคนเรียนแบบคนนั้นทั้งหมดละ่ะกฎหมายในชาติ ถ้าชาติปัเนเมืองจะสงบร่มเย็นเป็นถุกได้ไหมถ้าทุกคนไม่ไม่เคารพกฎหมายพวกเราหลับตาดูก็แล้วกันชุมชนและสังคมนั้นเดือดร้อนวุ่นวายเพราะกฎหมายนั้นตั้งขึ้นมาก็เพื่อให้คนในชาติเคารพตั้งขึ้นมาให้เคารพกติกาเคารพสิทธิในเรื่องนั้นในเรื่องกฎหมายที่บัญญัติไปแล้วทุกคนเคารพ ถ้าทุ ก, ทกคนเคารพกฎหมายบ้านเมืองสงบไหมผู้คนในชาติจะสงบไหมสงบเพราะว่ากฎหมายนั้นตั้งขึ้นมาเขาก็เอาทำในชาติและเอาเรื่องของเอาเรื่องราวในยุคดังนั้นมาพูดกันว่าพวกเราควรทำอย่างไงในกติกาของบ้านเมืองของเราถ้าใครล่วงล้งกดกติกาก็นั้นก็ผิดกฎหมาย อันนี้ก็เหมือนกันในหลักทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้ในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าพวกเราก็ควรจะเคารพจติกาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วแต่ว่าในยุคนั้นสมัยนี้ถ่านจะว่าไปแล้วก็มนันแตกต่างเหมือนกันแตกต่างอย่างไร คือยุคนั้นสมัยนี้ถ้าเราดูในประไตรปิฎกศึกษาในประไตรปิฎกพระสงฆ์ทำยังไงขรรวชน ย, ยมทำยังไงการเป็นอยู่เป็นยังไงก็แปลกแตกต่างกันพอสมควรแต่พระวินัยในยุคสมัยนั้นเรานำมาใช้สมัยนี้มันล้าสมัยก็มี มีหลายศิกขาบทใน227ข้อของศีลของพระเพราะเหตุไรเพราะยุคนั้นท่านถืออีกอย่างหนึ่งมายุคนี้ท่านถืออีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนการเป็นอยู่การเป็นไปของพระรู้สึกว่าทุกนั้นสมัยนะั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากจําเป็นมากแต่มายุคนี้สมัยนี้ดูแล้วไม่จําเป็นไม่จําเป็น เพระเหตุไรเพราะการเป็นอยู่มันแปลกแตกต่างมันเปลี่ยนไปแต่ถึงยังไงก็ตามพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วสมัยนั้นท่านก็บอกว่าไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้สมาทานหรือปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้อันนี้ก็คือไม่ถอนและก็ไม่บัญญัติเพิ่มเติม แต่พวกเราทำไมทุกนี้สมัยที่ทําไมจึงมีการเพิ่มเติมอันนี้มายุคนี้เราก็ต้องประชุมกันดีกว่าอนุบัญญัติถ้าจะว่าไปแล่นก็คืกฎระเบียบโลกของเขาปฏิบัติอย่างไรพระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มสงฆ์นั้นก็พิจารณาดูถ้ า, าว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาของบ้านเมืองในยุคนั้นสมัยนั้นก็ทําให้เราเนี่ยเป็นไดโนสเสาร์หรือล้าเกินไปล้าสมัยเกินไปเราก็ต้องปรับให้เข้ายุคสมัยบ้าง แต่ไม่ใช่ว่าจะถืออย่างเก่าทั้งหมดและจะต้องทิ้งเก่าทั้งหมดเราก็ต้องพยายามปรับให้เข้าสู่ยุคชุมชนสังคมแต่อย่าให้เข้าเกินไปแต่ถึงยังไงก็ตามจะบัญญัติสิไงขึ้นมาก็ต้องมองดูหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นหลักไว้อยู่เสมออย่าให้มันผิดพลาดอย่าให้มันเกินไปอย่าให้ทําให้เดินดูออกนอกลู่นอกทางจากหลักประธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า เพราะว่าสิน227ข้อนั้นท่านบัรยัติไว้ละเอียดและออมากในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นเหตุอย่างไรทําไมจึงบรรยัติข้ามบทนี้ขึ้นมาดนี้เพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามต่ถ้าว่าพวกเราถามว่าทําไมถึกข้ามบทไหนสินข้อไหนที่ล้าสมัย ไ, ไม่ไม่คันสมัยในยุคนี้ หลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังแต่พวกเราอาจจำไม่คุ้นหูนะอย่างพิษสุขรอชั้นถัดด้วยขนเตียมเจอด้วยไหมต้องเนจจกียปาจิตติพิษสุขรอชั้นถัดด้วยขนเตียมดำล้วนต้องปาจิตคือขนเตียมก็คือขนไหลายขนจา ม, มัจุลีเรียกว่าขนแก่ขนแพ้นั่นแหละเออเอามาตัดต า, ตาแล้วก็หลอ่อหล่อแค่ๆว่าทําให้เป็นเป็นอาชนะ แต่ตะวันนี้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นตะกอนโอ้โหถือพลุงพลังไปที่ไหนก็ต้องหอบพี่ลงไปถืออาสนะไปนั่งอะไรนั้นแต่ตกวันนี้ไม่จําเป็นแต่ต้องมีผานิสีธนะนิสีธนะในบริฐาน8ก็คืออันหนึ่งคือมีความจําเป็นคือผานิสีธน่ะคือผ้าปูนั่งถ้าเราไปนั่งในบ้านของเขาเขาปูพรมหกปูผ้าขาวปูและให้นั่ง ถ้าเราไปนั่งเลยจะทำให้ผ้าของเราไปเปื้อนของเขาเท้าของเราไปเปื้อนผ้าของเขาเพราะฉะนั้นเราควรจะมีผ้าปูนั่งไปนั่งไปปูซะก่อนแล้วค่อยนั่งอันนี้คือภิกษุปราะจากผ้าปูนั่งตั้งแต่สีเดือนขึ้นไปปรับอวบัดทุกกฎอันนี้ต้องมีผ้าปูนั่งต้องมีประจำตัวต้องอยู่ในย่ามนะครอันนี้นก็คือ ในพระวินยัยของพระพุทธเจ้าบัรยัติละเอียดออ่เนเกี่ยวกับวินัยสําหรับพวกเราเนี่ยพราะนั้นพวกเราที่จะบวชในพระพุทธศาสนาหูงพ่อว่าถึงยังไงก็ให้ถูกต้องตามพระพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าทุกเช็คาบวชทุกวินัย ท, ท, ท, ท, ท, ท, ท, ทุกการเป็นมาและเป็นไปอยู่ในพระไตรปิฎกนี่ละเอียดลอพอสมควร ม, มากพอสมควรในาการบวชของเราในครั้งนี้ก็ ใ ห, ใ, ให้อยู่ในกฎระเบียบหรือ enfin, ว่าอยู่ในกฎของพระธรรมใหนเมื่อเราอยู่ในกฎหมายบ้านเมืองอยู่ในบ้านเมืองเราก็เคารพกฎหมายบ้านเมืองเราไปอยู่ต่างประเทศอังกฤษอย่างนี้เราก็เคารพกฎหมายของอังกฤษเราไปอยู่อเมริกาเราขอเคารพกฎหมายอเมริกาเนี้ย แต่ละประเทศในกฎหมายก็ไม่เหมือนกันแต่ ค, คล้ายๆกันแต่บางสิ่งบางอย่างเน้นหนักจุดคนละจุดกันอย่างอะเลอ ย, อย่างเนี้ยใครพกอาวุธปืนอย่างเนี้ยโทษหนักถึงอาจจะโทษถึงโทษคั้นประหารแต่เมืองไทยไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเมืองไทยเนี่ยว่าตักใครอยากขายยาบ้าตั้งแต่หมื่นเม็ดขึ้นไปมียาบ้ายอยู่ในครอบครองตั้งแต่หมื่นเม็ดขึ้นไปอาจจะโทษประหารอย่างอย่างนี้เป็นตน้น คือแต่และประเทศก็ไม่เหมือนกันอันนี้พวกเราได้เข้ามาอยู่ในกฎของพระพุทธศาสนากฎระเบียบของพระพุทธเจ้าอันนี้เราก็ต้องศึกษากฎหมายและกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจถ้าพวกเราเข้าใจในกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละความสงบเร่องเย็ยนเป็นทุข ก, ก็จะเกิดขึ้นในสงฆความพร้อมเพียงซุปขัดสาสังขัดสาสามกาี ความพร้อมเพียงของหมู่คณะจะเกิดฉุกเพราะว่าความพร้อมเพียงของหมูคณะกันอยู่ในกฎระเบียบของสงเนี่ยพวกเรานะพวกหนักทั้งหลายนะแบวชมาครั้งนี้บวชมาจุดประสงค์มีจุดประสงค์อะไรให้ตั้งเจตนาให้แน่วแน่เอาไว้นะอย่าไปคิดถึงบ้านถึงเรือนอันนั้นเราก็ห้ามไม่ได้ไม่ให้คิดถึงแต่เราก็ต้องคิดใช้ปัญญาหักข้ามเอาไว้ เราคิดไปเพื่ออะไรเรารู้อยเราจะบวชอยังไหเราจะบวชกี่เดือนอแต่ที่เราเข้ามาบวชแต่ใจห่อแต่เอกข้างนอกมันจะเกิดประโยชน์อะไรเหมือนกต่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนกับเราไปเรียนมหาวิทยาลายัยรุ่นจะปล่อยใจไปหาเที่ยวที่อื่น เ, เวลาเราไปทํางานนู่นใจส่งไปที่อื่นไม่มีแก จ, จิตแกใจที่จะทํางานหน้าที่การงานนั้นงา น, านนั้นจะไม่สมบูรณ์แบบเพราะเหตุไดก็ใจไม่อยู่กับตัว อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเข้ามาบวชและใจองค์ไปอยู่คารวะไปร้องรำทำเพลงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งที่จะภาวนาพุทโธพุทโธตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนพวกเราปล่อยจิตปล่อยใจออกไปข้างนอกแต่มีแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นเองห่อหุมตัวเองแต่ใจของเราไม่อยู่ในวัดในวาอันนั้นใช้ไม่ได้นะ เพราะนั้นอยู่ทั้งใจด้วยอยู่ทั้งกายด้วยอยู่ทั้งใจด้วยเรามาศึกษาอะไรตูปรธรรมมีอยู่ในวัดของเราให้ศึกษาสาเดือนไปว่าให้เราเข้าโรงเรียนใหม่เหมือนนั่นจัดเข้าโรงเรียนใหม่ให้เรียนพยายามเรียนกอไก่คอไข่คอกดขอคอยคอคนคอระฆังงูงจระจันออพยายามเรียนให้เข้าใจจากนั้นก็เรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆในสเดือน ให้ได้เพราะนั้นคือเขียนให้ได้อ่านให้ออกพระพุทธเจ้าชนะมีจุดมุ่งหมายอะไรพระพุทธเจ้าออกบวชท่านทำไมจะออกบวชออกบวชไปละท่ใต้อะไรหลักธรรมคาสั่งสอนนั้นหลักธรรมนั้นคืออะไรไม่ใช่หลักศิลาจารึกนะแต่ไม่ใช่อนหลักโดดเดขึ้นมาในกลางป่ากลางโรงขึ้นมาเขียนข้อความขึ้นมาอย่างนั้นไม่ใช่นะหลักธรรมนะหลักธรรมนั้นคืออะไรเราให้ศึกษา หลากธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นพระสอนพระให้เป็นพระดี อ, อยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในหลักธรรมที่ในสอนพระ่าญาติโยมก็ให้อยู่ในกรอบของคุณธรรมศีลธรรมจ ร, รมิยธรรมที่ดีอันนี้ธรรมเราศรรึกษาถึงกว้างขวางออกไปมากเลยป็นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาในแล้วนั่นแหละเรานำเอาไปใช้เมื่อเป็นคราวา่าเราควรทําตัวอย่างไร ควรจะมันขยันอย่างไรควรจะมีคุณธรรมในจิตใจอย่างไรตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูญเราศึกษาให้ดูศึกษาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าเรามาข่าวนี้ทั้งปริยัติการศึกษาโดยทั้งปฏิบัติลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยใครๆว่าทั้งดูแผนที่โดยทั้งเดินตามแผนที่ด้วยที่เรามาอยู่ป่านะแต่ทางฝ่ายปริยัติทั้งมิตะดูแผนที่เฉยๆ แผนที่นี้ไปยังไงยังไงเก่งแผนที่อยูน่นแต่พอเดินตามแผนที่เราไปไปไม่ได้ไปไม่ถูกอันนี้ก็พวกเราเนี่เดินทั้งดูแผนที่ถวยทั้งเดินตามแผนที่ด้วยถ้าเดินตามแผนที่เราจะมั่นใจเออแผนที่ที่พูดถูกที่พระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติให้ภาวนาจิสตสงบนักสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เราได้ศึกษาดูแล้วโอ้ดีมีประโยชน์ถูกต้องแผนที่นี่ถูกต้องมากอย่างนี้เราก็จะได้รู้แนวทางปฏิบัติจากนั้นขอเราคนเมื่อเรารู้ว่าแผนที่นี่ถูกต้องหลักประทำคำสัง่งสอนเป็นนิยานิคธรรมจริงที่พระพุทธเจ้าได้นำสอนแล้วก็ศึกษาไปแล้วเดเราก็เชื่อมั่นในประทำคาสัง่งสอนไปเรื่อยๆเพราะภาคปฏิบัตินะ ตามว่าพวกเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเสงสัยแผนที่อีกหรืแผนที่หรือโกหกหรืเปล่านะะเขียนไปไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะดูแล้วก็มันจะจริงหรือเปล่าเนี่ยสงสัยแผนที่เพื่อเผยโยนแผนที่ทิ้งไปกว่านั้นนะนี่เพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้เดินตามแต่ถ้าว่าพวกเราเดินตามแล้วนะแผนที่ของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานิธรําจริงๆนําผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเรามีแต่ความสงบผ่มเย็นเป็นชุบทางจิตใจนะ ถ้พวกเราเดินออกนอกหลู่นอกทางแล้วความหายนาเข้ามาหาพวกเราได้ง่ายดังนั้นพวกเราทุกท่านนะที่ได้วบวชในพุทธศาสนาในครั้งนี้ให้ถือว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีคิดไว้อย่างนั้นเสมอนะในใจนะอย่าถือว่าเป็นผู้โชคร้ายนะถ้าคิดว่าตัวเองเป็นผู้โชคร้ายอู้ตายคาดคิดผิดแง่บวชมาในครั้งนี้เหมือนกับเข้าคุก เ, เข้าตาราง ใจของเราว่าวีอ้างว่ า, เางเงี่ยบเหงาซึมเศร้าเลือเกินคิดถึงบ้านคิดถึงเดินคิดถึงใครต่อใครไม่เคยคิดกับเคิดไปหาเขาอันนั้นแสดงว่าเราแย่มากแล้วเราไม่สามารถที่จะฟื้นจิตฟื้นใจฟื้นฟูจิตใจปรับปรุงจิตใจของตอนเองให้สูงขึ้นได้แน่แปลว่าดิ่งเหมือนนั้นจิตใจดิ่งอันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าบทมาครั้งนี้สเดือนกล่าวประโยชน์จริงๆเหมือนกันเะ เปล่าประโยชน์ยังให้โทษตัวเองอีกม่ใช่โทษเนึ่งคือมันทุกข์ใจนะเผือเพื่อมันจะเป็นบ้าออะไรไง่ายๆใครมาพูดอะไรก็ไม่ได้โมโหโทโศกโกรธาให้แก่หมู่แก่เพื่อนเข้าไปทําให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในวัดวาศาสน า, ศ า, เ, พาเพื่อเกินหลวงพ่อประชุมสงฆ์ไล่ออกจากวัดต่างหางน้นถ้าว่าใครทําให้ถูกเดัง <c oughs> นั้นต้องปรับเข็มทิศให้ดีอย่างนั้นการบวชในครั้งนี้ปรับเข็มทิศให้ดี แอบปรับปุงกายวาจาใจของเราให้ดีต้องคิดให้ดีเพราะจะต้องบวชเพื่อทดแทนบุญคุณของบิดามารดาบวชทดแทนพระคุณของประเทศชาติบ้านเมืองบวชทดแทนพระคุณของในหลวงของราชแปดสิบปีทดแทนพระคุณของพ่อแม่ที่เด็กเลี้ยงดูเรามาเราจะทําดีที่สุดในสามเดือนนี้ต้องตั้งใจอย่างนั้น แต่ทีนี้พอตั้งเข็มทิศได้ดีแล้วถึ่ขั้นไะหนที่จะเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ถึงเมือนเ้นแต่เพราเราตั้งมั่นไว้แล้วใครจะเป็นยังไงข้าไมาศนทั้งนั้นก็ราะจะบวชสามเดือนเนี่ยใครจะทําตนให้เป็นคนดีเพื่อบูชาพระคุณพ่อแม่ที่ท่านเลี้ยงเราม า, าร่างกายตั้งแต่หัวจนเท้าเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงเราดูเรามา ที่เราเอาร่างกายของเราบวชในพุทธศาสนารักษาศิลภาวนาปฏิบัติแล้วก็ขอให้พ่อแม่ที่หลวงรับไปก็ดีหรือยังมีชีวิตยอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งและโดยอายุวันนะสุขภาระถ้าพ่อแม่หลวงรับไปแล้วก็ขอให้มารับสมบูรณ์นสน่วนกุศลที่ข้าไปเจ้าเร่บวชให้ในครั้งนี้นะมันต้องออกมาจากจิตใจอย่างนั้นจริงๆนะบวชครั้งนี้ไม่ใช่บวชเล่นๆนะบวชจริงจังนะถ้าบวชเล่นๆนะ บวชกับวัดหลวงพ่อหลวงพ่อขนักใจมาอยู่วัดวัดขนกกาดโรงงานไปยุติเ น, นี่ยก็หนักทั้งหมดคนไปทตั้งใจถ้าตั้งใจเราอยู่ที่ไหนก็เบาหลวงพ่อ ก, ก็เบาสั่งสอนไปก่อนปฏิบัติตามเบาให้รู้จักกับตัวเองบวชสามเดือนเราบวชสามเดือนเราก็รู้แก่ใจยอยู่แล้วสามเดือนนี้เราจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนากทุกคนนะ ช่วยกันให้ข็ดไว้ในใจนะอันนี้ก็คือหลงพ่อปลุกนะปลุกใจให้ตื่นนะปลุกใจนาคให้ตื่นนะไมใ่ใจซึมเศร้าไม่ให้ใจคิดออกนอกรูกนอกทางนะนะเราบวชก็มาจุดมีจุดประสงค์อะไรนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนะนำแนวความคิดให้แก่พวกนาคและญาติพี่น้องของนากนะ แล้วก็บอกกล่าวกันให้ทั่วถึงหน้ า, าโทรศพัพท์บอกไปข้างนอกก็ได้พอบอกพร้มบอกแม่วันที่ยีิบสองบวชแน่นอนถ้าว่าตัวเองไม่พร้อมก็บอกไปอีกเหมือนกันผมยังไม่พร้อม เ, อเดี๋ยวภาคพี่เลี้ยงเขาจะาคัดเลือกดูเขาจะคัดเลือกสอนเป็นระยะระยะไปจากนี้ไปถึ ง, ถงวันที่ยี่สิบเอ็ดใครพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะบวชกระตับพระ หมูพวกเพื่อนทุกวงมาช่วยๆคนดูบริานนการเนาะการเหลือขาดตกก็อย่างที่พูดเมื่อวานนะถ้ามันไม่พอกระบอกตรงนั้นมันขาด น, นะรับพรในที่นี้นะอนุโมทนาให้พอน